อีกอย่างหนึ่งพิสู่นซ่องเสพเจริญทําให้มากซึ่งปฐมฌานทุติยฌ า, านตาติยฌ า, านจตุทฌานที่เกิดขึ้นแล้วอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นผู้ขวนขวายในฌานขวนขวายในฌานคือทําฌานที่ยังไม่เกิดให้เกิดแล้วก็ซ่องเสพฌานที่เกิดขึ้นแล้วให้มากนั่นก็ยังคุณชูก็สาธยายพระสูตรที่สาท่องได้แล้วเนี่ยนะสูตรที่ยังไม่ได้ท่องก็เพิ่มขึ้นนะนะที่ได้แล้วก็รักษาไว้ให้เสื่อมนะก็เรียกว่าเพ่ง เป็นฌานเหมือนกันนะก็ส่องเสพธรรมานุสติไงเป็นพระธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วอ่ะใช่ไหมเป็นลักหนูอ่าเป็นอารามมณูปนิสชาญเหมือนกันก็คือเนี่ยพระธรรมที่แต่ละสูตรเนี่ยพระองค์ตรัสไว้ดีแล้วอ่ะเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองเนี่ยธรรมเหล่านี้ถ้าปฏิบัติจริงก็พ้นทุกข์จริงอ่ะย่างไงนะทุกสูตรเราเนี่ยเป็นอย่างนั้นจริงๆริงนะก็เจริญสวักขาโตไปเลยคําว่าเป็นผู้ตื่นอยู่โดยมากความว่าพิสูจน์ในธรรมวินัยนี้ชําระจิตให้บริสุทธิ์จากธรรมะ เป็นเครื่องกลางกัน้นคือให้บริสุทธิ์จากนิวรณ์ด้วยการเดินจงกรมและการนั่งตลอดวันชำระ จ, จิตให้บริสุทธิ์จากธรรมะเป็นเครื่องกลางกัน้นด้วยการเดินการจงกรมเนี่ ย, ยการนั่งเนี่ยตลอดปฐมม ย, ยามแห่งราตรีสำเร็จสีหาสายาโดยเบื้องขวาซ้อนเท้าเหลื่อมเท้ามีสติสัมปชัญญะใส่ใจถึงสัญญาในการลุกขึ้นตลอดมัดชิมยามแห่งราตรี กลับลุกขึ้นแล้วชำระจิตให้บริสุทธิ์จากกรรมเป็นเครื่องกั้นด้วยการเดินจงกรมและการนั่งตลอดปัจฉิมยามแห่งราตรีเพราะฉนั้นเร้ยว่าตื่นอยู่โดยมากะนะตื่นก็ไม่ใช่ฟุ้งซ่านนะตื่นด้วยนิวณ์ไม่กลุ่มรุมด้วยส่วนคําว่าอุเบขาอุเบขาคือความเพิกเฉยกิริยาที่เพิกเฉยกิริยาที่เพิกเฉยยิ่งความที่จิตสงบความที่จิตระงับความที่จิตเป็นกลางในจตุทชานชื่อว่าอุเบขา อุเบกขาในชานส่นะไม่ใช่นั่งเบื่อซึมๆเสื่อๆไม่ใช่ไม่ใช่นั่งแบบนั่งเลี้ยงโคนะไม่ใช่ในคําว่าพึงเป็นผู้ปรารบอุเบกขามีจิตตั้งมั่นก็คือความหยุดความนิ่งความแน่วแน่ความไม่กวัดแกว่งความไม่ฟุ้งซ่านแห่งจิตความที่มีใจกวัดแกงเนี่ยนะความสงบสมาธิสีสมาธิพลัสสัมมาสติชื่อว่าความเป็นผู้มีจิตตั้งมั่น คำว่าพึงเป็นผู้พึงเป็นผู้ปรารบอุเบกขามีจิตตั้งมั่นความว่าปรารบอุเบกขาในชานสี่เนี่ยคือจตุตฌานน่ะเป็นผู้มีจิตมีอารมณ์เป็นหนึ่งมีจิตไม่ฟุ้งซ่านมีใจอันอะไรอะไรไม่ให้กวัดแกงได้เรียกว่าเป็นผู้ปรารบอุเบกขามีจิตตั้งมั่นส่วนคำว่าพึงเข้าไปตัดความตรึกธรรมะ เป็นที่อาศัยอยู่แห่งความตรึกและความรําคาญไอ้ความตรึกก็คือวิตกอกุศลวิตกเนี่ยนะมี9ก้าก็คือวิตกในกามวิตกในความพยาบาทวิตกในความเบียดเบียนเนี่ยนะกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกอันนี้เรียกว่าอกุศลวิตกหรือวิตกถึงญาติตรึกถึงญาติตรึกถึงชนบทตรึกถึงเทพเจ้าตรึกถึงปฏิสนธิปฏิสังยุตด้วยคิดถึงคนอื่นเน่ยนะครุณาเขาเห็นใจเขาอะอยากช่วย ไปเลี้ยงเข้าด้วยมัง้งยุ่งเลย อ, อันนั้นเกินไปแล้วอันไหนพวกกรุณาแบบนี้ก็เหมือนกันนะบางคนเนี่ยติดข้องกระโยมมากโยมเมื่อเดือดร้อนก็เดือดร้อนไปกระโยมยิ่งกระโยมอีกพวกนี้แหละพวกนี้ตรึกรหลวงพีก็ตรึกด้วยคิดในเรื่องลาบสการะความสรรเสริญหรือตรึกด้วยไม่อยากให้คนอื่นดูหมิน่นอย่างเราเนี่ยใครจะมาดูถูกดูหมิ่นเราได้ทํายังไงไม่ให้เขาดูถูกดูหมินเนี่ยนะที่แต่อย่างนั้นแหละ คนนี้ก็ด้วยอำนาจอาุศลวิตกกรรมสัญญาเป็นที่อยู่อาศัยแห่งกรรมวิตกพยาบาทสัญญาเป็นที่อยู่อาศัยแห่งพยาบาทวิตกวิหิงสาสัญญาเป็นที่อยู่อาศัยแห่งวิหิงสาวิตกอีกอย่างหนึ่งอวิชชาอโยนิโสมนสิการอสมิ ม, มานะอโนตตปะอุทธะเป็นที่อยู่อาศัยแห่งความตรึกคือความดําเรจทั้งหลายเนี่ยนะก็อวิชชาก็ไล่ไปตามอาคุศลวิตกนะนี อายนิโสมณสิการก็ไหลไปตามอากุศลวิตตกมาหน้าก็ไหลไปตามอากุศลวิตกอุทจักกุจักก็ไหลไปตามอากุศลวิตตกเพราะฉะนั้นเรียกว่าธาอากุศลวิตกคือกาลมาวิตกพยาบาดวิตกวิหิงสาวิตตกวิตกถึงญาติถึงชนบทถึงเทพเจ้าเป็นต้นก็ไหลไปเรื่อ ย, อยงไงนะอย่างอื่นก็ตามมาบานยนคะิดถึงเทวดาคิดทําอะไรส่วนมากก็คิดจะขออ่ะสาธุช่วยส่งขอลูกช้างลูกควายบ้างเถอดเนี่ยกว่าปาเนี่ยนะ ก็ปาถนาให้เทวดามาปกปักกันะแต่ไม right? ่ได้คิดให้เทวดามีความสุขอะไรหรอกจะขออย่างเดียวส่วนกุกุจะคือความรําคาญเนี่ยนะก็คือรําคาญมือรําคาญเท้ารําคาญทั้งมือทั้งเท้ารําคาญในสิ่งที่ไม่ควรว่าควรรําคาญในสิ่งที่ควรว่าไม่ควรสําคัญในสิ่งที่ไม่มีโทษว่ามีโทษสําคัญในสิ่งที่มีโทษว่าไม่มีโทษความรําคาญกิริยาที่รําคาญเนี่ยนะ ความเป็นผู้รำคาญความเดือดร้อนจิตความกลุ่มใจเห็นตานี้เรียกว่าความรำคาญอีกอย่างหนึ่งความรำคาญความเดือดร้อนจิตความกลุ่มใจย่อมเกิดขึ้นเพราะเหตุสองประการคือเพราะทำและเพราะไม่ทำถ้าเดือดร้อนใจเพราะคือความรำคาญความเดือดร้อนจิตความกลุ่มใจย่อมเกิดขึ้นเพราะทำและเพราะไม่ทำอย่างไร ก็คือเดือดร้อนใจรําคาญใจว่าเราทําแต่ความชั่วทางกายทางวาจาทางใจเราฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการมพูดเท็จพูดคำหยาพูดซอเสียดพูดเพ้อเจ้ออภิชาพยาบาทมีดฉาทิ่ทีก็เดือดร้อนใจเพราะทําชั่วนะเพราะทําชั่วกายวาจาใจเพราะทําทล่วงอกุศลกรรมบทมากก็เดือดร้อนใจนั่งยิ้มแปะเลยในชีวิตที่ผ่านมานะลึกถึงชีวิตที่ผ่านมานั่งยิ้มเลยไหยไม่ ย, มยิ้มอ่ะนะ น, น, นั่นแหละเรียกว่าความรําคาญใจอ่ะนะ เดือดร้อนใจนะแล้วก็เดื อ, รอนะดอร้อนไปอีกไหยเราเนี่ยไม่ได้ทําความดีทางกายทางวาจาทางใจเราไม่ได่งดเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในการมเราไม่ได่งดเว้นจากการพูดเท็จงดเว้นจากการพูดคำหยาเพ้อเจ้อซอเสียเราไม่ได้เจริญอนณาพิชชาอัปยาบาศสัมมาทิฏฐิเลย่ยนะเสียใจอีกนะบาศก็ทําไม่บอลบุญก็ยังไม่ได้ทำเลยไอ้นนท์ก็ยังอันนี้ก็ขาดไอ้นนท์ก็แคลนอย่างนีนะ้อย่างนี้แหละ อีกอย่างหนึ่งความรําคาญความเดือดร้อนจิตความกลุ้มใจย่อมเกิดขึ้นว่าเราเป็นผู้ไม่ทําความบริบูรณ์ในศีลทั้งหลายนะศีลก็ยังไม่ได้ทําให้บริบูรณ์เลยอย่างนั้นอินทรีย์สังวียนเราเป็นผู้ไม่คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายเราเป็นผู้ไม่รู้จักประมาณในโภชนาะเราเป็นผู้ไม่มั่นประกอบในความเพียรเป็นเครื่องตื่นอยู่เราเป็นผู้ไม่ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะ เราไม่ได้เจริญโพธิปักขยธรรมคือไม่ได้เจริญสติปทานสำ ม, มปะปทานอิธิบาทอินทรีพระละโพชฌงอริยมารคมีองค์8เราไม่ได้ทำปริญญาในทุกไม่ได้ละสมุทัยไม่ได้เจริญมรรคไม่ได้ทำนิโรธให้แจ้งก็เลยเรียวกว่าเดือดรอด้อนลำคัญเพราะฉะนั้นพี่โสพึงเข้าไปตัดละบันเทาทำให้สิ้นไปให้ถึงความไม่มีซึ่งความวิตกอกุศลวิตกนะและทรรที่อยู่ในอกุศลวิตกเหล่านั้นและความลำคัญ สรุปคาถาที่กล่าวไปว่าพิสุปเป็นผู้สำรวมตาไม่โลเลเท้าสำรวมตาไม่ใช่ดูไปเรื่อยสำรวมเท้าก็ไม่ใช่ไปเรื่อยเนี่ยนะขวนขวายในฌานคือในสมถาวิปัสนาเนี่ยนะตื่นอยู่โดยมากเป็นผู้ปรารบอุเบขาคือฌานที่สี่มีจิตตั้งมั่นเข้าไปตัดอกุศลวิตกทำที่อยู่ร่วมกับอกุศลวิตกและกุกุจจะเนี่ยคือความรำคาญ คาถาต่อไปว่าภิกษุถูกตักเตือนด้วยวาจาพึงเป็นผู้มีสติชอบใจถ้าเขาสอนนะก็ให้ดีใจนะพึงเป็นผู้ทําลายความกระด้างในเพื่อนสัพพมจารีก็อย่ามีมานาอย่าพยองในพรมจารีสัพพมจารีก็โดยทั่วไปก็เน้นครูวาจานาะนะพึงเปล่งวาจาอันเป็นกุศลไม่พึงเปล่งวาจาเกินขอบเขตไม่พึงคิดไม่พึงคิดเพื่อทำคือการกล่าวซึ่งชน การว่ากล่าวซึ่งชนไม่ได้ไปคิดเที่ยวสอนเขาทั่วไปหมดนะไม่ใช่อธิบายว่าภิกษุถูกตักเตือนด้วยวาจาพึงเป็นผู้มีสติชอบใจรู้ว่าใครที่จะกล้าเตือนเราก็นอกจากอะไรอุปชาพระอุปชาพระอาจารย์พระเถระปูนอุปชาปูนอาจารย์มิตรผู้เคยเห็นการมิตรที่เคยคบกันมาสหายเขาก็ตักเตือนว่าผู้มีอายุ กรรมนี้ไม่ควรแก่ท่านกรรมนี้ยังไม่ถึงแก่ท่านกรรมนี้ไม่เหมาะแก่ท่านกรรมนี้ไม่งดงามแก่ท่านภิกษุผู้ถูกตักเตือนนั้นพึงเข้าไปตั้งสติยินดีให้ชอบใจเบิกบานใจอนุโมทนายากได้ประสงค์ปรารถนารักใคร่ติดใจซึ่งความตักเตือนนั้นดีใจเหมือนอะไรเหมือนสตรีหรือบุรุษที่เป็นหนุ่มเป็นสาวกําลังเจริญชอบแต่งตัว อาบน้ำดำกล้าวได้พวงมาลัยดอกบัวก็ดีพวงมาลัยดอกมะลิดอกลำดวนราบ้วยมือทั้งสองก็วางไว้บนศีรษะเนี่ยนะซึ่งเป็นอวัยวะสูงสุดยินดีชอบใจเบิกบานใจอนุโมทนาอยากได้ประสงค์ปรารถนารักใคร่ติดใจฉันใดภิกษุเหมือนกันเนี่ยนะถูกตักเตือนก็ฉันนั้นพึงเข้าไปตั้งสติยินดีชอบใจเบิกบานใจอนุโมทนาอยากได้ปรารถนารักใครติดใจซึ่งความตักเตือนนั้นฉันนั้น ถ้าเขาเตือนก็ดีใจเยอะเนี่ยนะดีกับเขาเตือนถ้าเขาไม่เตือนเลยหนักกว่านั้นดันงเยอะเนี่ยนะอธิบายว่าคัดสมจริงนางคาถาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าบุคคลพึงเห็นผู้ใดผู้แสดงโทษกล่าวคมขีมีปัญญาว่าเป็นเสมือนบุคคลผู้ชี้ขุมทรัพย์ให้พึงคบหาบุคคลเช่นนั้นผู้เป็นบัณฑิตะนะถ้าใครกล้าเตือนเรานะให้ให้อยู่กับคนนั้น ถ้าอยู่กับคนที่ไม่กล้าเตือนเราเนี่ยอย่าอยู่แต่ถ้าสมมติว่าครูบาอาจารย์ทั้งหลายเลยเนี่ยนะก็ควรหาผู้ที่เขากล้าแตะนำตักเตือนเพราะว่าเขาแนะนำเนี่ยหมายถึงว่าคนที่เตือนเราแสดงว่าเขาเห็นเรามีโทษอยู่เขาจึงกล้าตักเตือนเนี่ยนะเพราะฉะนั้นให้ครบบัณฑิตเช่นนั้นเรียกว่าเป็นผู้ชี้ขุมทรัพย์ให้เมื่อครบบัณฑิตเช่นนั้นมีแต่คุณอันประเสริฐไม่มีโทษลามมกเลย บุคคลพึงกล่าวสอนพึงพร่ำสอนและพึงห้ามจากธรรมของอาสัตบุรุษบุคคลนั้นอ่ะเป็นที่รักของพวกสัตว์บุรุษเท่านั้นเป็นที่ชังของพวกอาสัตบุรุษคือคือคนที่แนะนําสั่งสอนผู้ที่เป็นครูบาอาจารย์โดยคุณธรรมจริงๆเนี่ยนะสิทธิเลวไม่ชอบ น, นะนะสิทธชั่วไม่ชอบเพราะอะไรเพราะว่าอู้ยอะไรจะมากมายป่านั้นมาวุ่นวายอะไรกับฉันเหลือเกินเนี่ยนะเรียกว่าภัยที่เกิดจากคลื่นก็เข้ามาแล้วใช่ไหม ถูกตักเตือนเกินไปอ่ะนะมันวุ่นเกินไปอะไรเกินไปเนี่ยนะ่ยเอาละโทสระก็เกินละต้องวนกลับไปนะถูกคลื่นมันเล่นงานรบกวนคําว่าชื่อว่าสะพรหมจรีก็คือผู้มีกรรมเหมือนกันอุเทศเดียวกันศีขาเหมือนกันเนี่ยนะคำว่าพึงทําลายความกระด้างในเพื่อนสะพรหมจรีความว่าพึงทําลายความเป็นผู้มีจิตอันความโกรธกระทบเข้าแล้วความเป็นผู้มีจิต กระด้างในเพื่อนสะพรหมจารีทั้งหลายคือพึงทำลายความกระด้างแห่งจิตทั้งห้าพึงทำลายความกระด้างแห่งจิตทั้งสามคืออากุศลจิตเนี่ยนะทำลายให้หมดเลยพึงทุบทำลายกาจัดซึ่งความกระด้างเพาะราคะโทสะและโมหะเรียกว่าพึงทำลายความกระด้างในเพื่อนสะพรหมจารีคำว่าพึงกล่าวแต่วาจาอันเป็นกุศลไม่พึงเปล่งวาจาเกินขอบเขตความว่า พึงกล่าววาจาอันเกิดขึ้นแต่ยานคือพึงเปล่งวาจาเนี่ยเปล่งออกเปล่งออกดีซึ่งวาจาประกอบด้วยอัดประกอบด้วยธรรมซึ่งประกอบด้วยประโยชน์มีที่อ้างอิงมีที่สุดตามกาละอันสมควรเรียกว่าพึงเปล่งวาจาที่เป็นกุศลก็คือเว้นจากวาจีทุจริตนั่นเองคําว่าไม่พึงเปล่งวาจาเกินขอบเขตขอบเขตมี2 อ, อย่างคือขอบเขตคือการเวลาอย่างหนึ่งกับขอบเขตคือศินความว่า ขอบเขตคือการเป็นฉนัยคือพิกษจไม่พึงกล่าววาจาล่วงเกินการไม่พึงกล่าววาจาล่วงเกินเวลาไม่พึงกล่าววาจาเกินการและเวลาไม่พึงกล่าววาจาที่ยังไม่ถึงการเราไปรู้บางอย่างนะถ้ายังไม่ถึงเวลาอย่าพูดไม่พึงกล่าววาจาที่ยังไม่ถึงเวลาไม่พึงกล่าววาจาที่ยังไม่ถึงการและเวลาเรียกว่าอย่าพูดเกินเวลาอย่างหนึ่งและอย่างหนึ่งก็คือ ถ้าไม่ถึงเวลาอย่าพูดแบ่งออกเป็นสองอย่างเพราะอย่าให้เกินการด้วยสอง่างนี่นะจำไว้ง่ง่ายง่ายคือหนึ่งอย่าพูดให้เกินเวลาสองถ้าไม่ถึงเวลาอย่าพูดเนี่ยนะก็แบ่งเป็นสองอย่างยงไงสมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าก็ผู้ใดเมื่อยังไม่ถึงการอันควรย่อมกล่าววาจาเกินไปผู้นั้นย่อมถูกฆ่านอนอยู่เหมือนลูกของนางนกดว ที่การเลี้ยงเอาไว้ฉะนั้ น, นนะก็รีบร้องเกินไปนะยังไม่ถึงเวลาร้องก็รีบร้องเขาก็เลยรู้ว่าไม่ใช่เสื้อสายของตัวเองก็เลยถูกฆ่าตอนนั้นก็เลยเรียกว่าเป่งไวกับวาจาเกินขอบเขตไปเลยเวลาส่วนขอบเขตคือศีลเป็นฉไหนบุคคลผู้กำหนัดไม่ควรกล่าววาจานะเพราะว่าถ้ามีราคาพูดออกไปเนี่ยนะศีลเสียนะผู้โกรธเคืองก็ไม่ควรกล่าววาจาผู้หลงก็ไม่ควรกล่าววาจา และไม่ควรกล่าวบอกพูดแสดงถแถลงซึ่งมูสาวาจอย่าพูดเท็จพูดคำส่อเสียดพูดคำหยาบแล้วก็พูดเพ้อเจ้อเนี่ยนะนี่เรียกว่าขอบเขตคือศีลขอบเขตคือศีลมันไม่กำหนัดขัดเครืองลุ่มหลงก็อย่าพูดเหนันนะแล้วก็ไม่ควรพูดวัจีทุจริตสีประการ